มาเห็นพระการเป็นอยู่ของพระสมัยหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดมีแหม่มมาจากอเมริกาทำงานสถานทูตนะเป็นคุณนายของทูตเพราะงั้นแต่เป็นชาวสหรัฐเป็นคนฝรั่งนะั่นแหละชื่อแหม่มอะไรตลงพ่อก็จาไม่ได้แต่ชอบวัดและก็มาที่วัดป่าบ้านตาดมาเห็นพระ ต, งงต่างองค์ต่างเข้ามานั่ง ไม่คุยกันต่างองค์ต่างเข้ามานั่งประจําที่จากนั้นก็หลวงตาก็เป็นผู้พูดแล้วก็ให้พรพระทุกองค์ก็เงียบเขาเลยแปลกใจเขาก็ถามเอ๊ะพระทําไมพระทะเลาะกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมพระไม่ยิ้มแย้มแจ่ ม, มใสต่อกันเลยต่างองค์ก็ต่างเฉยพระทะเลาะกันหรือเปล่าเขาไม่สบายใจ <laughs> อืม ฟังไม่สบายใจว่าพระทะเลาะ ก, กันหรือเปล่าจากนั้นพอฉันจังหันเสร็จเขาก็กระซิบประซาบถามล่ามที่มาด้วยบอกว่าทำไมพระท่านไม่คุยกันเลยต่างองค์ก็ต่างเฉยทั้งที่อยู่ด้วยกันพระวัดนี้ทะเลาะ ก, กันหรือเปล่าทําไมทําอย่างนี้ล่ามาก็เลยถามหลวงตาหลวงตาก็เลยทิบายให้ฟังการเป็นอยู่ของพระ พระต้องอยู่ในความสงบไม่คะนองอันนี้เป็นประเพณีมาตั้งแต่คลังพุทธการถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกเราจะเห็นในการเป็นอยู่ของพระสมัยหนึ่งพระสง์ออกไปเที่ยววิเวกในป่าส0สองค์ด้วยกันสมัยนะั้นเวลาไปที่ไหนก็ไปเป็นหมู่แต่กพอไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งเป็นที่ส ป, ปายะ สำหรับที่จะปฏิบัติภาวนาปรึกษาปารกันพระผู้ใหญ่ก็บอกว่าเออตรงนี้เหมาะละแล้วก็ญาติโยมอุบาสิกาเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแล้วก็อาราธนาพระสงฆ์ให้พักปฏิบัติภาวนาเขาจะดูแลเรื่องปัจจัยสี่ประคุณท่านต้องการอะไรก็บอกจากนั้นเขาก็เอาลูกบ้านมาช่วยจัดทำที่พักชั่วคราว อย่างนั้นพระที่เป็นผู้ใหญ่ก็ประชุมหารือกันว่าเมื่อเรามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้เราได้ศึกษาได้รับโอวาทจากพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้มุ่งมั่นแต่ละวันแต่ละเวลาให้มีสติอยู่กับตัวเองให้เห็นความเกิดและความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาคือเห็น อันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นน่ะเพราะนั้นพวกเราไม่ควรยูนด้วยความประมาทต่างองต่างอยู่ต่างองต่างเร่งความภาคเพียรของใครของเราเพราะนั้นใครจะชอบสถานที่ใดก็ไปเลือกให้โยมเขาทาให้แล้วก็ไม่ควรจะพูดคุยกันต่างองก็ต่างอยู่ดูใจของตนเอง จากนั้นก็ตั้งกฎกติกากันขึ้นว่าเวลาตอนเช้าเวลาสว่างก็มาพร้อมกันจากนั้นก็ไปบินท่าบาทจากนั้นก็กลับมาพอฉันจังหันเสร็จแล้วก็ต่างองค์ต่างเข้าประจาที่ของใครของเราแต่ถ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นตอนไหนพระที่อยู่เวรหรือ ว, ว่าพระที่รักษาการอยู่หน้าด่านตีละครพระข้างในก็ออกมามาประชุมมหาือ บางทีอา จ, จมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีพระที่อยู่ด้วยกันอาจจะไม่สบายป่วยหรือมีปัญหาอะไรกรตีละขังพอที่กินละางก็ต่างองค์ต่างมาแต่นี้ก็ตั้งกดกันเรียบร้อยแล้วก็ประจำที่แล้วท่นี่ภาวนาของใครของเราแต่วันนั้นอุบาสิกาโยมผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเขาก็อยากจะถวายพวกเพสัตชคือน้ำอ้อยน้ําตาลพวกป า, น, านะในวังั้นแหะ พอเข้ามาเห็นพระเงียบเหมือนกับวัดล้างเหมือนกับสถานที่ยนั้นไม่มีพระเลยพระทั้งสามสิบหกองตอนเช้าก็เห็นก็เห็นพระแต่ว่าตอนเที่ยงตอนบ่ายไม่เห็นพระเลยท่านก็ถามโยมก็ถามว่าดิฉันจะถวายน้ำํำปานะถวายเพสัตว์เนี่ยจะถวายได้ยังไงไม่เห็นพระเลยมีเห็นพระองค์หนึ่งออกมาเนี่ยท่านก็ไปกับผู้ชายปกญาติโยมแหะสามสี่คนพระก็บอกว่าอื้งเดี๋ยวธรรมาจะ ให้สัญญาณระตีเคาะละครั้งปังปังปังปังปังปังจากนั้นพระทั้งหลายก็ออกมาออกมาคนละครั้งกันเหมือนนเถอะเดี๋ยวองค์นั้นออกมาเดี๋ยวนี้ออกมานั่นออกมาออกมาแต่ละครั้งแต่ละองค์ก็ไม่คุยกันพอออกมาแล้วก็นั่งประจําที่เรียงตามพรรษาจากนั้นเขาก็ถวายปานะพอถวายน้ําเพศสัตว์เสร็จเรียบร้อยเขาก็เลยถามถามหัวหน้าเออพระคุณท่านมาอยู่ที่นี่ไม่สับปะยะหรือเปล่า ทำไมพอเห็นพระคูณท่านออกมาออกมาคนละคนละที่กันโยมเข้าใจว่าพวกท่านเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วมีการไม่เข้าใจกันทะเลาะกันใช่ไหมทำไมออกมาคนละทีกันแล้วออกมาก็ไม่คุยกันไม่เคยเห็นเดินออกมาพร้อมกันสององค์เลยออกมาคนละแห่งตะข่างกันพระเละิล่าอธิบายให้ฟังการเป็นอยู่ของพระโยมเขเข้าใจจงผู้หญิง ได้จากนั้นถามว่าท่านปฏิบัติอย่างไงท่านปฏิบัติอะไรท่านปฏิบัติอย่างไ ร, ไ ร, งไรพระเีร่ผู้ใหญ่ท่านก็บอกอธิบายให้ฟังว่าท่านพิจารณาอาการ32แต่ละวันความเกิดความเสื่อมอาการ32ของร่างกาย เ, เกสาผมโลมาขนนขขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเกลือในกระดูกม้ามเข้าใจไรเรียงกันไปได้จากนั้นก็แยกส่วนแบ่งส่วนออกมา สมมุติกองไว้คนเลาวกองแล้วกองเอามาเอามารวมกันามาพิจรณากายานี่แหละท่านเห็นท่านเพิจารณากายของท่านให้ใจของท่านอยู่ในอาการ32อยู่ในกายนี้ตลอดอันนี้คือภาคปฏิบัติจิตใจจะเข้าสู่ความสงบรู้แจง้งเห็นจริ ง, งว่าโยมผู้หญิงคนนั้นกขาบอกว่ายางโยมเนี่ททำได้ไหมได้เถอะละว่าไดา้โยมก็ทำได้ผู้หญิงผู้ชายทำได้ทั้งนั้น ไม่ไลยเลือกพระเลื่องโยมปฏิบัติภาวนานจากนั้นโยมผู้หญิงนั้นก็เลยเรียนวิธีการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นวิธีการทำยังไงยังไงจากนั้นโยมเขาก็เอาไปทำนะไปทำไม่กี่วันนะอุปนิสัยเขาเขามีมาก่อนแล้วบุญบา ร, รมีของเขามีพอทาไปเขาได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีเลยได้บ้างพอได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีนี่เขามียานทัศนะด้วยทีนีย พอนั่งเข้าไปเห็นหัวใจพระคิดเรื่องอะไรเ อ, อปุงฟุ้งซ่านอะไรเขาเห็นหมดว่ะ เ, เ อ, อียอุบาสิกาคนนั้นพระคิดเรื่องอะไรเขาเห็นหมดแล้วก็มาคํานวณเ อ, อ๊ ะ, ะพระเถระพระที่มาอยู่ที่วัดของเราเนี่ยท่านขาดอะไรวะทําไมท่านจึงภาวนาไม่ไปไม่มาทําไมท่านจะขาดอะไรท่านเป็นผู้มีอันจะกินเมื่อเป็นกระว اة เป็นถูกเศรษฐีพ่อค้าเมื่อมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ กันดานด้วยปัจจัยสี่โอ้ท่านคงจะไม่สัปปายะเรื่องอาหารจากนั้นเขาก็ยมอุบาสิกาเขานั้นก็แต่งเรื่องอาหารให้ฉันมาไงองค์นั้นขาดอันนี้องคนี้ขาดอันนั้นพระสงฆ์เมื่อได้รับปัจจัยสี่เป็นที่สัปปายะท่านก็เล่งภาวนาของท่านจนได้สำเร็จเป็นพระหันด้วยกันทั้งหมด30สิองค์เนี่ยะโอ้อุบาสิกาเป็นผู้มีพระคุณมากจากนั้นก็กลับ ไปกราบพระพุทธเจา้าก็เป็นเล่าความเป็นมาให้พระพุทธองค์พระพุทธเจา้าเออดีดีแล้วอุบาสิกาเป็นผู้มีพระคุณตํนุบํารุงพระพุทธศาสนาแต่ใน ม, มีพระแก่อค์หนึ่งอยู่ในนั้นอยากจะไปถึงออบาสิกาคนนี้รู้จักยิงหรือเปล่านะจากนั้นก็ไปทดลองดูงั้นกราบลาพระพุทธเจ้าไปทดลองออพอไปถึงอ้ยอุบาสิกาอัตามาม า, มามเหนื่อยเหลือเกิน ขอให้คนมาช่วยประกาศให้โยมผู้ชายมาช่วยปัดกวาดด้วยเทินถ้าไปถึงแล้วจะให้ปัดกวาดด้วยจัดเสนาสะนะด้วยค้งไม่ไหวแล้วเหนื่อยจริงๆเดินทางอุบาสิกาเขาจัดมาเรียบร้อยแล้วงั้นเลยเตรียมท่าไปแล้วเขารู้จริงๆตัวเนี่ยผนวานเด้จากนั้นก็ตื่นเช้ามาอีกโอ้ยอุบาสิกาไอ้ธรรมาปินทบาทไม่ไหวล้ววันนี้เดินทางมาไกลท่านไต้ฉันเข้าต้มสักหน่อยก็ดีพลพัวเด้ จากนั้นอุบาสิกานะั้นก็จัดข้าวต้มมาถวายตอนเช้าอีกอ้าวเขารู้จักเราจริงๆว่ะจากนั้นวันคิดอะไรเขารู้จักหมดเลยนี่คิดออกนอกลูนอกทางเขารู้จักหมดพอในสุดพระแก้วนั้นอยู่ไม่ได้เปิดแหนบเร็วงั้นเถอะกลับไปหาพระพุทธเจ้า พ, พุทธเจ้าเอาทำไมเธอจึงกลับมาเร็วนักโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุบาสิกาเนี่ยเขาเป็นตำรวจผมเป็นผู้ไล่คิดอะไรออกไปเขาจับหมดเลยงั้นเลยอยู่ไม่ได้ พระโพธิโต่งบอว่าเอ้ยอยู่อย่างนั้นแหละดีแล้ว เ, เขาจะช่วยไปกลับไปต่อไปนี่ท่านจะไปคิดไปทางอื่นสิให้อยู่ในใจตลอดสิวา่าแต่นี่ให้นึกพุทธโธอยู่ในใจตลอดจะไปคิดไปทางอื่นจากนั้นพาเอานั้นกับพระโพธิโต่งบอกให้กลับก็ต้องกลับมนาะกลับมาบาัดนี้เอาใหมบ่บัดพยายามดูใจตัวเองตลอดไม่คิดเรื่องอย่างอื่นเลยให้ดูใจตัวเองพอดูใจตัวเองเทานั้นหละ่ะ ท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้หมดไม่นานเหมือนกันเถอะพอได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านั้นก็โอ้อุบาสิกานี่เป็นผู้มีพระคุณสําหรับเรามากเลยนึกย้อนหลังไปแล้วบ่เนี่ยเมื่อวานนี่ไปยังเมื่อก่อนยังไงวันนั้นไปยังไงวันนัน้นปีหน้าปีหลังเป็นไก่ไปเหมนกันเถอะเทละปีละปีถึงชาติที่เกของท่านเหมือนชาติที่เก้าส้านี่ชาตินั้นน่ยท่านอุบาสิกาคนนั้นเป็นเป็นเมียของท่านมาก่อน พอเป็นเมียเท่นั้นชาตินั้นอ่ะอุบาสิกาคนนั้นฆ่าท่านเหมือนั้นเถอะผัวเมียทะเลาะกันเขาฆ่าคนนี้ว่าไปอสงสัยที่เพิ่นจะเป็นเจ้าชู้มั้งดูท่านนะเขาฆ่าเหมืั้นเถอะพอฆ่าเท่านี้สันุ้งเลยเพราะกันขนาดเป็นพระรหันต์นะเป็นพระรหันตอย่างสันุ้งโธ่เราว่าอุบาสิกาคนนี้เป็นผู้มีพระคุณสําหรับเราที่ไหนได้เขาฆ่าเราวะคนนด้เออกเขาฆ่าเราวะชาติก้าเก้านี่วะ อุบาสิกาคนนั้นเขานั่งอยู่ที่บ้านเขาก็มองดูหัวใจพระองค์นี้เหมือนกันนะท่านเป็นพระหรหันต์นั่มองท่านรู้ได้ก็ว่า น, นิรุติรู้จักการนึกคิดของพระองค์นั้นได้นั่นมองอยู่อุบาสิกาก็เลยส่งกระแสจิตไปว่าท่านให้กําหนดเลยไปชาติที่ร้อยบานเด้ก็เลยกําหนดไปชาติที่ร้อยโอ้ใช่เราฆ่าเขาวะเพราะฉะนั้นได้ผลวา เราฆ่าเขาว่าชาตินั้นพราชาติต่อมาเขาฆ่าเราเออถ้าอย่างนั้นเกมกันนะจบกันจบกันเ อ, อไม่ต้องเอาเวทกันอีกหมดแล้วบัตรเนี่ยนลวนะัน อ, อ่ะถ้า่งนั้นอาตมาลาที่พานแล้วเรือบัตรเนี่ไม่มีอะไรแล้วใครเขาว่าพระรหัน์เมื่อท่านสําเร็จเป็นพระราหันแล้วนะท่านมองดูเออเราจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างเราจะสอนประชาชนยังไงบ้างเรามีประโยชน์กับชุมชนญาติพี่น้องในอดีตชาติของเรามีอะไรบ้าง ถ้าท่านมองดูแล้วรอบด่านของท่านแล้วท่านไม่มีอะไรที่จะมีเครื่องผูกพันหรือจะอบรมสั่งสอนใครแล้วนะท่านคนลานิพานเลยออืนี่แหละพระรหันต์นิพานได้ง่ายๆเลยวางขันพระนะัวเลยก็จบเลยจิตออกจากร่างนะี่ท่านเองนะเพอจิตเดินออกจากร่างนะี่ออกจากร่างท่านเองร่างนั้นก็อยู่ไม่ได้เลยเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเลยท่านไม่ได้อะไรตายยากกับร่างกายแล้วงั้นเถ อ, อะออทิ้งภาชนะ อดินไปรับเอาพาชนะทองคําคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระในครั้งผูพ้พทะเจ้าของเราเนี่ยอยู่ด้วยความสงบไม่สงสิงไม่คุยกันไม่เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาสนทนาปารบกันจนชาวบ้านเขาเห็นจนตกใจอย่างั้นแถอะคิดว่าพระทะเลาะกันอพระโมโหให้กันพระโกรธกันไม่คุยกันอ่างนั้นอันนี้แหละ พระในครั้งพู้ไเจ้านี่คือพระต้องอยู่ในความสงบภาวนาดูจิตดูใจของตนเองอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหรือว่าแนวภาคปฏิบัติสําหรับพระเป็นแนวความคิดหรือว่าท่านได้บอกกล่าวไปแล้วเป็นกระจกเงาสําหรับเราผู้เกิดมาสุดท้ายภายหลังว่าพระในค้างพู้ไเจ้าปฏิบัติตัวอย่างไรที่พวกเราทําอย่างนี้มันถูกไหมเราจะได้รู้เพราะอันนั้นเป็นกระจกเงา ที่พวกเราจะต้องเดินตามระยะประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลนะเอาต่อไปรับพอน